ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พลรานคอยระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม2560ตอนที่สี่ก็นั่งสบายๆเนาะไปก็ภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วมันยาวมากก็ตัดให้มันสั้นลงเพื่อให้เห็นแค่เนื้อหามันการปฏิบัตินะอันนี้คือสายทิเบตเขาก็เคยเข้าไปในถ้ำ ไปนั่งกรรมฐานสามปีนะนั่งเข้าไปฌานฌานสมาบัติไม่กินไม่นอนสมปีนะพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปเปิดประตูออมาเอาออกมาคิดว่าบรรลุธรรมละก็มีทีทาพิธีเฉลิมฉลองนะแล้วสุดท้าย ไอแนวนี้คือเราไปนั่งกดมันไว้เหมือนเรานั่งชานน่ะนะเราใช้สมาธิกดมันไว้เหมือนสปริงเรากดมันไวนะกดมันไว้อยู่นั่นน่ะนะแล้วก็คิดว่าเราบรรลุธรรมแล้วนะพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันเด้งผางเลยอันนี้ชี้ให้ดูว่าการฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ไปติดสุขในชาน สามปีนั้นข้างนอกไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเราได้นะเรามีแต่ความสงบมีแต่ความว่างก็ไปติดความสุขสงบนั้นเขาเรียกว่าติดสุขในฌานนะมันไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมนะก็ออกมาปึ๊บก็ปิ้งก็ไปแต่งงาน ก็ไม่เป็นไรไปแต่งงานก็นเป็นเรื่องวิถีปุถุชนนะไม่ใช่วิถีพระอริยะปุถุชนก็แต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เราบำเพ็ญเพียรบวชมาทั้งยี่สิปีแล้วเข้าชานอีกสามปี้ะสุดท้ายก็ไปคบชู้กับคนรับใช่อีกคือสะท้อนให้เห็นเลย ว, ว่าคำว่าศีล น, นี่มันคืออะไรนะ ไอ้ศีลข้อบังคับนั้นนะก็ท่องไปบางทีก็ถือถื อ, ถอหลุดหลุดมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันต้องจิตหลุดพ้นแล้วก็จิตมีความปกติไม่แสบใสเขาเรียกว่าศีลคือความปกติของจิตนะอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการนั่งเข้าฌานแล้วเนี่ยถ้าไปติดสุขในฌา น, นแล้วนั่งได้ถึงสามปีไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องกินไม่ต้องนอนหายใจทางผิวหนัง มันเป็นการกดมันไวเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการปลดปล่อยนะผู้เจ้าบอกให้ทําดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะต้องเข้าไปในจิตในจิตไปล้างมันออกแต่ น, นี่เราใช้สมาธิไปกดมันไวนะอันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทางคนทุกเนาะแล้วก็มาดูโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเข้ามาค่ายในศูนย์นี่ก็ไม่รู้เอ๊ะแปลก เราเคยไปวัดแบบจิตประธรรมเราก็ไปนั่งสมาธิก็เจริญสติไอ้ที่นี่ทำอะไรเสียงก็ดังเดี๋ยวสักคู่หนึ่งบ่ายสองเราก็นั่งแบบบางคนเขาเรียกง่ายๆว่าสมาธิเวียงจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อว่าสมาธิเวียงเพราะครูไม่ได้ตั้งชื่อนะมันเป็นอาการที่เราเราสร้างแรงเวียงให้กับจิตนะมันเกิดหมุนวนซึ่งเมื่อเช้านี้เราเปิดให้ดูแล้วว่ามันเวียงได้โดยเพราะอะไรเนี่ย เห็นไหได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจความรู้สึกหูก็วิ่งมันดึงไปใจเต้นปุ๊บก็ดึงกลับมาคืนมันดึงไปดึงมาเหมือนเราหมุนลูกคางเราหมุนปุ๊บมันก็หมุนพอมันหมุนหมุนหมุนมันจับสมดุลของมันมันไปอยู่ในแกนกลางเมื่อไรเนี่ยมันจะนิ่งนะที่มันนิ่งเนี่ยเพราะมันหมุนเร็วมากเลยแรงเวียงนั่นน่ะมันเป็นรวมศูนย์อจิตรวมศูนย์อยู่ตรงใจกลางมันเนี่ยนะมันอิสระจากแรงดึงดูดของความคิดแล้วก็เอาลมอยากที่ใจ นะแล้วก็สักพักหนึ่งลูกหางมันนิ่งปุ๊บมันก็หลุดออกไปปกติมันไหวเราฝึกให้มันนิ่งนี่คือเอกะขะตาลมทำให้มันเป็นอารมณ์สงบนิ่งนะเป็นอุเบกขาแล้วก็มันมีพลังที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของอายตนะคือตาหูจมูกดินกายใจมันก็หลุดออกไปเข้าไปในจิตในจิตนะพวกเราหลายคนที่นี่เราก็ฝึกถึงขั้นว่าเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็บรรู้ทำแล้วนะแค่นี้เป็นบรรลุหรือเบื้องต้นแล้วปลดปล่อยจิตเราอิสระจากใจที่มันดึงจิตเราไว้เราเรียกว่าหัวใจหัวใจมันคืออะไรนะเราเรียกว่าหัวใจคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นโกดังเก็บอารมณอันนั้นเรียกว่าหัวใจแล้วก็จิตใจคืออะไรนะจิตใจก็คือว่าไอหัวใจตรงนี้แหละ มันมีพลังงานธรรมชาติอยู่แล้วเวลาเรานอนหลับเนี่ยสิ่งที่เราหยุดไม่ได้ร่างกายเราหยุดนิ่งหมดเลยสิ่งที่หยุดไม่ได้คือหัวใจมันต้องเต้นถ้ามันเลิกเต้นเมื่อไหร่คำว่าตายคือเราตายคือความไม่มีชีวิตนะมันไม่มีชีวิตแล้วนะชีวิตคือการเป็นการอยู่ยังไม่ตายหัวใจต้องเต้นทีนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเต้นปุ๊บจิตก็ถูกใจมันดึงเข้าไปนะ จิตกับใจมันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเรียกว่าจิตใจจริงๆแล้วจิตก็คือจิตใจก็คือใจทีนี้จิตมันอยู่กับใจเรามาตลอดชีวิตมันก็เป็นธาตุที่ใจเราไม่อิสระเลยเราทำอะไรตามใจตลอดพอเขาด่ามามันบอกมันเสียใจนะฉันนอนไม่หลับไอ้ใจมันบอกมันสั่งจิตว่าไอ้จิตมึงมึงมึงต้องด่ามันไปคืนมึงใช้ปากด่ามันไปคืน ไม่งั้นฉันนอนไม่หลับไอจิตนี่มันกลัวว่าใจมันจะเสียใจมันเป็นคนมักง่ายมันทำตามใจมันก็เลยด่าไปคืนเลยเพราะด่าไปคืนแล้วเนี่ยมันบอกว่ามันดีใจมันออกลูกหลาเล่าอาหารให้มันกินมันออกลูกทีนี้พอเขาด่ามาคืนอีกมันบอกว่าถ้าด่าคืนเนี่ยลูกมันไม่พอกินมันบอกจิตมึงต้องตบมันไปเลยมึงตบมันไปเลย นะไอจิตมันมักง่ายมันทาตามใจมันก็ตกไปเลยเพราะตกไปเลยมันสะใจลูกมันก็ออกหลานนะทีนี้พอเ้าตกมาคืนอีกมันบอกว่าตกเฉยเฉไม่พอแล้วหลานมันไม่พอกินมันบอกฆ่ามันไปเลยไหมไอจิตก็สั่งมือบอกเอาปืนยิงมันไปเลยนะทุกวันนี้กรุงเทพนะแค่แซงไปแซงกันมาแซงปื๊บจอดปุ๊บยิงตู้มเลยมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเล่าร้อนมาก เพราะว่าเราทำตามใจตลอดนะจิตเป็นทาตของใจไอ้คำว่าเรามาฝึกเพื่อให้จิตมันหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมคำว่าหลุดพ้นมันหนีไปไหนมันออกจากล่างเหรอมันไม่ได้ไปไหนมันหลุดออกจากความเป็นทาตของใจนะวใจมันดึงไว้นะที่นี่เราก็ใช้เทคนิคใช้เครื่องมือคือเสียงเสียงเป็นอยัยตนะอย่างหนึ่ง นะบางคนเอารูปเราเพ่งอสุภะนะไปเพ่งเพ่งกะสินนั้นเอารูปนะเพ่งนานามันมีพลังปุ๊บมันดึงระหว่างตากับกับใจมันก็เกิดแรงหมุนจิตมันก็เกิดหมุนเหมือนกันส่วนพุทโธเนี่ยพุทโทลมหายใจเข้าพุทออกโธอันนี้ปกติมันเรียกว่าอาณาปานาสติเอาลมหายใจมาเป็นตัวกำหนดนะลมหายใจนี้คือกลิ่น เราดมกลิ่นเราดมกลิ่นปุ๊บมันกระทบจมูกเนี่ยเราสัมผัสกลิ่นอันนั้นเรียกว่าทีนี้เราก็เอาลมหายใจมาเป็นอุบายนะสั้นก็รู้ยาวก็รู้ฝึกให้จิตไปเกาะ อ, อยู่ถ้าวันไหนมันมีพลังพุ๊บมันชนที่ใจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดแรงดึงระหว่างจมูกกับใจระหว่างกลิ่นกับใจเห็นไมพอเราดมอะไรเนี่ยเราดมไปปุ๊บเรากหอมหอมเราบันทึกสัญญาว่าชอบชอบ ถ้าไปดมอะไรเราไม่ถูกใจเราบอกว่าเม้นเหม็นไม่ชอบไม่ชอบน้วมันต้องมารู้ที่ใจพอเขาชมเราเราบอกชอบชอบมีความสุขพอเขาชมเราพอเขาด่าเราปุ๊บมันบอกไม่ชอบไม่ชอบมันทุกใจทุกอย่างลงไปที่ใจหมดฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเปี้ยงตกใจบางคนตกใจจนหัวใจมันเก่ง นะหายใจไม่ทันก็เป็นลมเป็นแรงไปนะนี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณผมเพราะครูลองมาหมดแล้วนะห้าปีแรกที่มาอยู่ที่นี่พราครูลองหมดหรือว่าใครจะลองเอาเอารถเราไปไปล้านค้าเอายาอมมาอมนะอันนี้ลิม้มลิ้มรถที่ลิน้นแล้วเราก็กำหนดมาลิ้มรถที่ลิน้น หัวใจเต้นปุ๊บมันดึงกลับไปรู้ที่ใจก่อนจะเกิดเวทนาแล้วก็วิ่งหนีมาอีกมันก็ดึงไปอีกดึงไปดึงมามันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็หมุนนี่แหละคือแรงดึงระหว่างสองส่วนนะพระพุทธเจ้าถึงเตือนว่าบำมพชิตไม่เสพส่วนสุดต่งสองส่วนมันเป็นของคู่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีอินมีหยางมีร้อนมีเย็น มีถูกมีผิดมีดีมีชั่วชีวิตเราก็อยู่กับของคู่ถ้าเราสุดตรงในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นนะนี่คือเครื่องมือในการทำให้จิตเนี่ยเกิดแรงเวียงเวียงทำไมทำไมต้องเวียงนะแฮร์คเตอร์ถ้าหมุนเบาๆเนี่ยห่อไม่ได้เห็นไหมเมื่อช้าเราฉายให้ดูห่อไม่ได้ถ้าเราเวียงแรงๆปุ๊บเนี่ยแรงเวียงนั้นทาลายสนามแม่เหล็ก นะมันจะสามารถยกไอ้ก้อนเหล็กนี่เป็นพันกิโลเนี่ยหาะขึ้นบนอากาศได้นะชั้นใดชั้นนั้นถ้าเราสร้างแรงเวียงให้กับจิตเราเนี่ยนะให้มันเกิดหมุนวนขึ้นเนี่ยผลพลอยได้คือมันเกิดลมปราณละเห็นไหมเมื่อจิตมันมันหมุนก็เกิดลมปราณในร่างกายเมื่อมันหมุนมันอิสระจากใจมันออกจากใจแล้วใจนี่ก็อิสระหัวใจก็ปั๊มเลือด หล่อเลี้ยงร่างกายได้เร็วขึ้นนะคนเราเนี่ยถ้าเลือดกับลมมันดีแล้วเนี่ยภุมคุ้มกันมันก็เกิดนี่คือผลพลอยได้ของสุขภาพสุขภาพของเรานะเลือดลมนะเนี่ขาเรียกว่าเดินลมปานนะคนจีนเขาฝึกไถ่เก๊กฝึกชี้กงชี้กงก็คือฝึกลมปานเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานใช้พลังสมาธิสร้างมันขึ้นมานะแต่สิ่งที่เราทาเนี่ย นะพร่อครูสามชั่วโมงที่มันเกิดอาการระเบิดนะพ่อครูเห็นกระบวนการทํางานของร่างกายมนุษย์นะโดยเฉพาะหลายปีพ่ะครูลองหมดพ่อครูสุดท้ายก็จับเสียงเอาเสียงมาเป็นเครื่องมือเพราะเสียงมันเล่งได้และเสียงนี้เราสร้างขึ้นมาได้โดยที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกําหนดอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปลิ้มรสไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรเห็นไหมเสียงนี่กระทบหู มันจะเสียงนี้มีอิทธิพลต่อมนุษย์แล้วก็เสียงนี้เราสร้างขึ้นมาได้เราเร่งได้เร่งให้มันเร็วขึ้นเขาเรียกว่าเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมาจักนี่คือธรรมมจักสัญลักษณ์ธรรมจักนั้นคืออะไรเราเห็นธรรมด้วยธรรมาจักธรรมาจักธรรมะจักจักสุภายในก็คือจิตไม่ใช่เห็นธรรมด้วยตาเนื้อข้างนอกไอ้ที่มันหมุนหุนเนี่ยเนี่ยคือเข็นกงล้อของธรรมาจัก อันนี้เป็นสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรุรรมแล้วเนี่ยก็เอามาแสดงธรรมคือทรมาจัด ก, กับปวนสูตรพระองค์รู้วาราจิตนะแสดงปุ๊บพระอัญญากุลธัญญจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเห็น ไ, ไหมอันนี้ต้องระดับพระพุทธเจ้าถึงมีพลังธทมอย่างนั้น นะทีนี้พ่อครูเห็นตรงนี้แล้วก็บอกว่าโอเคพวกเราปลดปล่อยตัวเองได้โดยอาศัยแรงดึงระหว่างสองส่วนโลกพลังงานทุกอย่างต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองในขนาดเดียวกันก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะพลังดวงอาทิตย์พลังดึงดูดมันมากกว่าเห็นไมโลกหมุนรอบตัวเองแต่คณะก็ต้องหมุนรอบโลกจักรวาลเพราะโลกยังอยู่ใต้อนาตของจักรวาล จิตเราก็เหมือนกันจิตเราอยู่ภายใต้อายตนะอันนี้ก็สวยๆชอบชอบอันนี้ก็เพราะเพรา ะ, ะมีความสุขชอบชอบอันนี้ก็อร่อยอร่อยอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็นิ่มๆอันนี้ก็เย็นเย็นนี่คือผัสสะเรามีกิเลสเราอยู่ภายใต้อายตนะ เหมือนจิตเราไม่อิสระเราเป็นทาตของมันเมื่อเราสร้างแรงเบี่ยงนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะถ้าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นทำถึงขั้นสูงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเหมือนโลกนี้อิสระแล้วไม่ต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วนะคือเราอิสระจากแรงดึงดูดของอายตนะเวลาที่เหลือเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าลิมล้มรสสักแต่ว่ากระทบผัสสะ นะไม่มีผลสําหรับจิตเราเขาเรียกว่าอายาตนะนิพพานนะอายาตนะนิพพานคือห ล, หลุดจากความเป็นาธาตุของอายาตะนะนะอายาตนะนิพพานไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดนะเออไม่ใช่มันก็ยังอยู่นะแล้วก็ใช้มันมามองใช้มันได้ได้ยินใช้มันมาลิ้มรสแต่ว่า เราไม่เป็นธาตุของมันอันนี้เรียกว่าอายตนะนิพานนะให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้เสียงนะกลางวันเดี๋ยวตอนบ่ายสองนี่เราก็ได้ยินเสียงที่หูมารู้ใจนั่งหมุนหมุนมุนมุนเห ม, ม, มือนรถยนต์ะรถยนต์เราจอดไว้นานๆเนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บมันไม่ติดเห็นไหมแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วก็ต้องช่วยมันเข็นพอเข็นรถติดปุ๊บแล้วก็ขึ้นไป บ, บนรถ แล้วก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุเปิดซีดีได้แต่เราใส่เกียร์ปึ๊บถ้าเป็นเกียร์นะอัตโมัติกนะไอ้ไม่ใช่เกียร์ เ, เกียร์สติ๊กชิปเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะมันก็มันก็ดับเพราะแรงมันไม่พอเราต้องเหยียบคันเร่งเร่งเครื่องเร่งเครื่องแล้วก็เหยียบคาดใส่เกียร์เข้าไปเลยขบวนการนี้เขาเรียกว่าเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจากแต่ถ้าเราลำพังไปฝึกอนุสติฝึกสติเล็กๆ ฟ้าหนอซ้ายหนอพุโทโธอันนี้เขาเรียกว่าอนุสตินั่นะถ้าเกิดว่าเราตามลมหายใจเข้าออกอาณาปนสติสั้นก็รู้ยาก็รู้เมื่อมันเกิดแรงหมุนแล้วันก็เหมือนสตาร์ทรถติดแล้วแต่ถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติคืออาณาปณสติเรายังไม่อิสระจากใจยังถูกหัวใจดึงไปดึงมาอยู่แต่เราก็ได้เจริญอ น, อนุสติก็ได้แค่ขั้นสติ เราเข้าไม่ถึงกล่องปัญญาเราเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เราต้องเร่งสติหมุนกลงล้อของธรรมจักรตัวนี้ให้มันเร็วขึ้นนะเมื่อวินาทีนั้นแรงเหวี่ยงตัวหมุนของจิตนั้นมันมากกว่าแรงดึงดูดของหัวใจเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหลุดเข้าไปในจิตในจิตอันนี้ขอครั้งเดียวเราปลดปล่อยนะเมื่อเราเข้าไปได้แล้วก็อยู่ที่ว่าใครใจขยันแค่ไหน เมื่อเราเปิดประตูบ้านได้เรานี่ยว่างปุ๊บเราก็เปิดเข้าไปเขไปขัดเก่าขัดเก่าขัดเก่าขัดเก่านะเราก็ก็เรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของจิตเดิมเรานะสมัยเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเสืออ่าเป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นมาหมดแล้วนะเราก็ไปเรียนรู้กับประสบการณ์ตอนนั้นนั่นคือกล่องปัญญาเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะปัญญาตัวนั้นมหาศาลนะเมื่อมันรู้แล้วว่าเฮ้ยเกิดเป็นอะไรก็เกิดแก่เจ็บตาย เป็นเศรษฐีก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นคนจนก็เกิดแก่เจ็บตายเมื่อจิตเข้าไปเห็นบ่อยๆแล้วเนี่ยนะมันก็จางคลายความยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาในชาติปัจจุบันเนเขาเรียกว่าบรรลุธรรมก็คือว่า เ, เราเข้าไปถึงความจริงตามธรรมชาติแล้วเราหลุดพ้นจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่เหลือเราก็ใช้ขันห้านี้ทําหน้าที่นะทำห้าที่เป็นปกตินะอันนี้คือ ขบวนการปฏิบัติธรรมแล้วมันมีหลายขั้นนะอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยมันดำเนินไปถึงขั้นไหนนะแต่ไม่สําคัญหรอกว่าขั้นไหนแม้กระทั่งบรรลุธรรมแล้วเจ้าชายสิทธิษฐ์เนี่ยตัดสลุธธรรมเป็นสัมมาสัพพุทิเจ้าในวันวิสาขาบูชานี่อีกไม่สองวันวันที่สิบในวิสาขาบูชานะพระองค์อยู่เหนือบุญบาปแล้วไม่จําเป็นต้องสร้างบา ร, รมีอีกต่อไปคือจบแล้ว ไม่ใช่จบแล้วก็นั่งเฉยๆรอวันตายนะจบแล้วพระองค์ยังอาศัยขันห้าตัวนี้น่ะสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่พุทธธรรมอีก 45, สี่สิบห้าพันษาอันนี้ไม่ใช่เจริญมากแล้วอันนี้มันเป็นมากแล้วมันเป็นขบวนการของธรรมเพราะทำทำเฉยๆช่วงเจริญมากคือเป็นช่วงที่กําลังเดินทางเพราะเรายังไม่ถึงฝั่งแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ย จบแล้วไม่ต้องสร้างบา ร, รมีกแล้วแต่ว่าเวลาที่เหลือเราก็ใช้ขันห้านี้ทําหน้าที่อันนี้เรียกว่าทําเพราะทำนะทําเพราะจิตมันเป็นมรรคแล้วไม่ใช่ช่วงเจริญมรรคในหะละักเขาเรียกว่ามรรคผลนิพานเมื่อถึงนิพานแล้วเนี่ยไม่ต้องเจริญมรรคแต่มันเป็นมรรคทั้งหมดนะกิริยาที่เราทําออกมาสัตว์แต่ว่าทํานะเพราะพุทธองค์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ทั้งหมด พระพุทธองค์ก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนะพระองค์ไม่สามารถปลดปล่อยให้ทุกคนบรรลุธรรมได้แต่พระองค์ชี้ทางให้ได้อยู่ที่กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนะก้อ น, นี้แหละถ้าถามพระครูว่าเราเกิดมาทําไมไม่ได้เกิดมาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆแล้วก็เอามาเสพสุขแล้วก็ตายแค่นั้นอายลิงนะนะคำตอบคือเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อนะ นี่คืองานหลักของเราแต่การเดินทางต่อไอ้ร่างกายนี้มันต้องดำรงอยู่เหมือนรถยนต์จะขับไปก็ต้องเติมน้ำมันนั่นแหละเราถึงต้องมีสัมมาชีวะมีอาชีพอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายนะเาะเราเจริญมรรคได้เทวดาทําไม่ได้นะเทวดานี่ไม่มีร่างกายเทวดาไม่มีสติปัฏฐานสี่นะ เทวดามีท่าที่เสพสุขอย่างเดียวเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขนะทำไมสุขมันทุกได้ยังไงนะเพราะเทวดาไปติดกรรมดีนั้นน่ะต้องกรรมดีก็ต้องใช้นะเสพสุขคืออะไรนะเสพสุข บ, บ่อยๆเราก็เบื่อนะเหมือนเรากินทุเรียนเราอร่อยมากเดี๋ยวพระครูให้กินทุเรียนปีหนึ 1, 2, ่งสองปีกินแต่ทุเรียนให้มันอร่อยทุกวันไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันสุขไหม หละเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขเพราะไปหลงติดกรรมดีนั้นาศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วาศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์แต่วิธีพ้นทุกข์ต้องทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะทำดีทําแค่พอดีแต่ไม่ติดดี นะบางคนดีก็ทำอยู่แต่ก็ไม่ละชั่วดีก็ทำแต่ชั่วก็ทำเหมือนเราเราดึงชักเขย่านั่นแหละดึงไปดึงมาเหมือนเราอาบน้ำทุกวันอนะ่ะอาปุ๊บสะอาดก็ไปทำให้มันเปื้อนอีกก็มาอาบอีกแล้วก็ไปอาบน้อีกนั่นะแหละเนะี่ยทำดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนนะทำดีไม่พอต้องละชั่วด้วยทำดีละชั่วก็ยังไม่พออย่าไปลืมหนี้เก่า ต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสเพราะจิตเรามันเปื้อนแล้วเราบันทึกเราปรุงแต่งจิเลตตันหาอุปท า, านไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างกรรมนะเราโกหกเพราะเราอยากอยากได้ของเขาเราขโมยก็เพราะเราอยากเห็นหั้ยเราไปกินเหล้าแล้วก็ติดเหล้านะ ร, ร, รู้ทั้งรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไปกินเนะ่เพราะเราอยาก ทำไมเราฆ่าสัตว์เราฆ่าคนก็เพราะอยากนะอยากคือที่มาของทุกขผูนะ้เจ้าตรัสเรื่องอริยสัจสี่นะอริยสัจสีคืออะไรนะคือความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการที่พุทธเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้สิ่งนี้พระองค์ไปเจอว่าทุกขสมุทัยนิโรธมากนะพระองค์ไปค้นพบว่าเรามีทุกขเป็นประธาน แล้วพระ อ, องค์ก็ไปเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวสมุทัยก็คือตัวตัณหาเห็นไหมไม่ใช่กิเลสนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัณหามันเกิดจากกิเลสสพระว่าเรากินหวานบ่อยๆกลายเป็นกิเลสแล้วเราก็อยากกินหวานนะอยากกินหวานเราก็ไปหาของหวานมากินอุปทานก็เกิดขึ้นเราก็พอใจไงเพราะมันไม่มันชอบนะก็ทําให้เกิดอุปทาน พอกาลังชอบเขามาแย่งไปปุ๊บเราก็เกิดไม่พอใจเกิดโมโหก็เกิดทุกข์มันเป็นของคู่นะนี่แหละพระเจ้าก็ไปบอกว่าเราบุญเยอะมาเยอะมากเกิดมาก็เจอคําสอนดีๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปค้นหาใหม่เจ้าชายศิทิธาเองต้องลองถูกลองผิดอยู่หกพันสาทรมานสังขารแล้วก็แล้วทาอะไรก็แล้วนะสุดท้ายพระองค์ไปพบทางสายกลางทาอะไร ต้องพอดีอยากมากจนไม่หลับไม่นอนอยากดูหนังดูถึงสว่างเชียร์ฟุตบอลตีสองตีสามกูก็ไม่นอนนะถึงสว่างก็ไปสอนหนังสืององๆเ ง, ง, งาย้งา ย, ายสอนถูกบ้างผิดบ้างนะก็ไปสร้างกรรมนะนี่คือทรมานสังขารเพราะความอยากไม่รู้เวล า, ว, ลาว่าเวลาไหนควรดูไม่ควรดูนะจริงๆแล้วถ้าเรามีปัญญานะเรารู้แบ่งปันเวลา ม, มันถ่ายทอดสดกลางคืนตีสามเราก็ไปอัดไว้แล้วก็มานั่งดูตอนวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่เวลาว่างแต่นี้มันไม่มันไงมันต้องไปเชียร์อดหลับอดนอนอยากจนไม่กินไม่นอนนะอันนี้คือเดี๋ยวสุดท้ายก็ส่งผลถึงกายภาพและส่งผลถึงเนื้องานที่เราทํากลายเป็นว่าเราก็คอร์รัปชันหน้าที่เรานะความอยากคือที่มาของทุกคือตัวสมูทไทยพระองค์ก็ชี้บอกให้เห็นว่านี่โลด ก็คือนีิผ่านนะไอ้สข้อแรกเนี่เป็นคํากล่าวที่พระองค์ชี้ให้เราเห็นว่าเรามีทุกข์เป็นประธานแล้วก็ตัณหาคือเหตุแห่งทุกนิโรธคือความดับทุกขสิ่งที่เราต้องทําก็คือมัจตัวสุดท้ายสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือมัจนะเราต้องเจริญมัจนะมันก็เกิดผลขัดเกาไปเรื่อยๆมันก็สะอาดไปเรื่อยๆนะนั่คือผลที่มันสะอาดก็คือผล ผลสูงสุดก็คือนิพพานนะอันนี้คือหน้าที่หลักที่เราเกิดมาแล้วปฏิบัติทำมาเยอะมากถ้าเราไม่มีบา ร, รมีเก่าเนี่ยทุกคนไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีโอกาสเกิดในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐฝรั่งเขาเขาก็บุญเยอะนะเกิดในร่างมนุษย์ นะแต่ถ้าไม่มีบุญเยอะจริงๆไม่ได้เกิดคำสอนของผู้ทีเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้บุญเราเยอะแต่อย่าประมาทกรรมเราก็เยอะถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามีสองด้านถ้าเราหมดกรรมแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไหมกรรมทำให้เรามาเกิดส่วนหนึ่งใจนี่กรรมแต่ส่วนที่เป็นบุญเราก็สร้างเราจึงได้มีโอกาสเกิดในร่างมนุษย์แต่เราไม่เห็นคุณค่าของมัน เราไม่พอใจเราน้อยใจเราก็ฆ่าตัวเองตายอันนี้คืออวิชชาคือเรารู้ผิดนั่นแหละนะเราเข้าใจตัวเองผิดเราเข้าใจว่าร่างนี้ตัวกูของกูนะอันนี้คืออวิชชานะี่นี่แหละสมุทยัยผู้เจ้าตัดสรุปสี่อย่างนี้ส่วนมันแตกแขนงไปเป็นธรรมะย่อย เป็นร้อยเล่มเป็นพันเล่มหรือว่าย่อเป็นสี่พั้าเล่มเพราะช่างอันนั้นเป็นข้อปีกย่อยธรรมะหลักก็มีอยู่แค่นี้มีสี่อย่างคือทุกสมูทไทยนิโรธมากนะแล้วก็ธรรมชาตินี้มันมีข้อกํากับสมอย่างก็คือกฎเกณฑ์สามอย่างคือกฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสมประการของธรรมชาติก็คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังมันไม่เที่ยง ทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปนะบางทีเราควบคุมมันไม่ได้เพราะอะไรคำว่าทุกขังทุกตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่สุขมันไม่ใช่คำตรงข้ามของสุขทุกขังตัวนี้มันคือดำรงอยู่ได้ยากมันดำรงอยู่ได้ยากแม้กระทั่งดวงอาทิตย์แม้กระทั่งจั ก, กรวาล น, นี้มันไม่อยู่โยงคงกระพัน แต่บางอย่างมันใช้เวลาสั้นบางอย่างใช้เวลายาวยาวหน่อยหนึ่งมันต้องย่อยสลายไปตามการเวลาของมันมันเป็นทุกขังทุกขังไปว่าดำรงอยู่ได้ยากไม่ได้ไปว่ามันทุกเพราะมันไม่สุกนะอันนี้คนละเรื่องนะเออสุขทุกนั้นเปลี่ยนแปลงได้จากมันทุกเราทำให้มันสุกก็ได้ นะถ้าไม่ใช่นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะไอ้สุขสุขเดบบเนี่ยมันสุขปุ๊บเขาแย่งไปก็เลยทุกแต่ทุกขังตรงนี้เนี่ยใครเปลี่ยนก็ไม่ได้ไอ้ทุกขังตรงนี้มันคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันแปลว่าดําลงอยู่ได้ยากทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็มันสลายเนี่ยร่างกายเราอยู่ล้านปีได้ไหมไม่ได้นะ เพราะมันเป็นทุกขังนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะทำไมมันมันถึงดํารงอยู่ไม่ได้ยากเพราะไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวถามว่าร่างกายเรามีไหมเป็นสิว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่บางทีเขาแปลอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนบางทีเราเข้าใจผิดนะมันมีแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นสิ่งชั่วคราวเรียกว่าอนัตตา นี่คือกฎเกณฑ์สมอย่างและกฎเกณฑ์นี้เนี่ยอีกกี่ล้านปีข้างหน้าใครก็ลบล้างไม่ได้เพราะมันคือสัจธรรมแต่ทฤษฎีไอเดียลทัทธินน้นลทัทธินี้ลทัทธิเหมาเจอตรงมันก็หมาะในเวลานั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอลทัทธิใหม่ถึงดีกว่าลทัทธินั้นก็ล่มสลายมันเป็นแค่ความเชื่อของบุคคลที่สร้างขึ้นมามันไม่ใช่ความจริงนะแต่ ถ้าเราศึกษาจิตเราจะเข้าถึงความจริงของธรรมชาตินะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธองค์พูดถึงเรื่องสุขมีที่เดียวเท่านั้นคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะทำไมมันสุขมันมีเงินแสนล้านเหรอมันเป็นมหาเศรษฐีเหรอไม่ใช่เพราะมันไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วพูดคำว่าว่างก็ไม่ใช่พูว่างปุ๊บความไม่ว่างก็เกิดขึ้น มันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีของคู่นะที่มันสุขเพราะว่ามันไม่รู้สึกกังวลห่วงใย ห, หรือทุกข์ร้อนอะไรเลยนะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระแต่ตอนนี้เนี่ยเราถูกไอ้วัตถุนิยมทุนนิยมมามาม า, มาใส่โปรแกรมให้เราว่าต้องหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจึ ง, จ, งจึงจะมีความสุข นะเราอยากรวยเราจนเราผิดศีลผิดธรรมเราก็กล้าทำเพราะเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือความสุขนะก็ให้การบ้านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะรวมทุก ค, คุณครูด้วยนะวันที่ส2บสองเชา้าส่งการบ้านให้พ่อครูนะนะวาดตัวความสุขให้พ่อครูดูอยู่ว่า มันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรทุกคนวาดออกมานะแล้วก็ส่งการบ้าในให้พ่อคู่นะถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรชีวิตเรากำลังแสวงหาอะไรนะเราสร้างอนาคตหวังว่าอนาคตมันมันม่นคงแล้วมันจะมีความสุขนั่นแหละไอ้ความสุขตรงนั้นอนะลองวาดให้พระคูดูสิ มันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรรูปล่างหน้าตามันเป็นเช่นไรนะก็อาทิตย์ก่อนลูกสาวญาติ ท, ทำสองปีก่อนมาหาพ่อครูพ่อครูก็ให้การบ้านเขาใช้เวลาสองปีคิดแล้ววันนี้เขาวาดมาส่งการบ้านเพ่าครูเขาวาดอะไรตอนนี้รูปนั้นอยู่ยังอยู่ในห้องอยู่แต่เขาเขาวาดเหมือนมากลงสีด้วยนะ นะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีมีมือถืออยู่ข้างๆมีเสียงเพลงนั่นแหละเขาบอกว่าคือความสุขของเขานะบอกลูกถ้าวันไหนอยากกินแล้วเนี่ยแต่คุณพ่อไม่ให้กินนะรู้สึกยังไงมันก็ทุกข์ไงาแลัวอยากได้กินแล้วกาลังกินอยู่เนี่ยกำลังอร่อยอร่อยมีความสุขมีคนมันแย่งไปเลยเนี่ยรู้สึกยังไง มันเป็นความสุขในจินตนาการนะ่ที่บอกว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันก็ถูกแล้วอันนั้นไม่ใช่ความสุขมันเป็นแค่ความชอบเฉยๆนะมันเป็นของคู่อยู่มันไม่ใช่สุขแท้ท่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ใครเปลี่ยนความสุขนั้นก็ไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าจินตนาการวาดออกมาให้พวกคู ด, ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะ ถ้าเราไม่หาคำตอบให้กับชีวิตนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็หลับหูหลั บ, ลบตาเดินไปตามกระแสโลกกระแสกแฟชั่นข่านิยมเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เราไม่มีคำตอบให้กับชีวิตก็ต้องเกิดมาหามันอีกนะที่พรอกูบอกทุกคนอย่าดูถูกตัวเองนะถ้าเราไม่มีบุญมหาศาลเนี่ยเราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ในตารา เขาก็พูดแต่ก็ฟังหูไว้หูนะยกตัวอย่างว่าคนเขาเขียนตำราว่าคนนั้นคนนี้บรรลุอรหันต์แล้วอะไรอรหันต์แล้วเนี่ยนะในพระไตรปิฎกก็มีรวมถึง อ, อ, อะไรล่ะนายันนะบอกบรรลุอรหันต์แล้วนายันะนเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดเจ้าชายยาตั้งแต่เด็ ก, ดกโตมาขึ้นกันมาพร้อมกันเนี่ยนะ เออเป็นทั้งพระสหายนะแล้วสุดท้ายก็ตามไปบวชนะตำลาก็บันทึกว่าเป็นพระละหันจริงๆแล้วจิตที่นายฉันนะมาปฏิบัติต่อเนื่อยืนยันว่าบรรลุแค่โสดาบันทีนี้พระครูก็ว่าเออไอคนที่มันเขียนเนี่ยมันรู้ได้ยังไงผู้เจ้าต้องบอกอย่าเพิ่งเชื่อตาําลาเข้าใจไหมคุณรู้ได้ยังไงว่าเข้าบรรลุขั้นไหน เห็นไหมมีแต่คาดคะแนนเ อ, เอามีแต่คิดว่าจิตที่เขาเคยเป็นอันนั้นเขาเคยเผ่านมาแล้วพอเขาเขามาเกิดถึงชาตินี้เขาก็รีวายกับเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขายังไม่บรรลุอรหันต์เขาเป็นแค่พระโสดาบันเห็นไหมอันนี้มันเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งว่าทําไมผู้เจ้าบอกให้เราว่าอย่าเพิ่งเชื่อตาําราอย่าเพิ่งเชื่อคําเล่าขานเห็นไหม แล้วสมมติเราไปอ่านตำราเราก็อ้างพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขณะแปลคําว่านี่ผ่านคนหนึ่งแปลว่าอัตตาคนนึงแปลว่าอนัตตานะจบดอกเตอร์ทางศาสนาแปลไม่เหมือนกันถึงว่าอย่าเพิ่งเชื่อส่วนกรรมวิธีพิธีกรรมทางศาสนามันแล้วแต่จริตของครูบาอาจารยนะ์มันเกิดนิการลัทธินิการต่างๆมากเพราะว่าครูบาอาจารย์ยังบวกจริตตัวเองเข้าไปอยู่ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นการใช้เทคนิคที่ต่างกัน แต่วถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยเราก็ไม่มีวันหลุดพน้นนะอุบายวิธีในการอยู่ร่วมกันนะศีลวินยัยที่ต่างกันมันเป็นอุบายวิธีต่างกันลทัทธิศาสนาไม่เหมือนกันแต่ต่างทนต่างทรรมอย่าไปอย่าไปจับถูกจับผิดกันนะเพราะว่าจริตมันไม่เหมือนกันพวกครูยกตัวอย่างนะ ที่เขาบอกว่าต้องฝึกจิตมาเป็นแสนแสนกับแสนกับนะอย่างน้อยหนึ่งแสนกับถึงจะบรรลุพระอรหันต์ได้ทีนี้กับหนึ่งมันเท่าไหร่ฮะกับหนึ่งมันเท่าเ ท, ท่ากับไอไม่ขีดไฟกับหนึ่งใช่ไหมใกับหนึ่งเขายกตัวอย่างว่า ความกว้างนี่16กิโลเมตรอ่า16คูณ16 16ตารางกิโลเมตรนะอะพื้นที่มันแค่นั้นทีนี้100ปีเอ า, มาเมล็ดผักกาดเนี่ยมาใส่เม็ดหนึ่งถามว่ากี่ล้านปีเนี่ยมันมันถึงจะเต็มหนึ่งกับนะไม่ใช่หนึ่งแสนกับนะแค่กับเดียวนี่นะ หนึ่งร้อยปีนี่เอาเม็ดผักกาศมาใส่เม็ดหนึ่งคิดว่าใช้เวลากี่ปีนะถึงจะให้มันเต็มเนี่ยส6ตารางกิโลเมตรถ้าเต็มปุ๊บได้หนึ่งกลับแล้วก็คูณหนึ่งแสนเท่าเข้าไปไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันปฏิบัติมาตั้งสามปีแล้วยังไม่บรรลุธรรมเลยบอกค่ากำไรเกินควร <c oughs> เราสร้างกรรมมาก็เยอะแยะเลยใช่ไหมโอ้ยอยู่ๆทำบุญต้งเยอะแยะเลยเป็นหลายล้านเลยทำไมไม่มรรู้ธรรมอันนี้ค่ากำไ ร, รเกินควรเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องดูถูกตัวเองนะบางทีเราฝึกมาเยอะมากบางทีมาบอกหนึ่งหนึ่งแสนกับใช่ไหมมันผ่านมา9 0 9 9 9ส9 นะจุด99อีกนะแค่มาปฏิบัติต่อเอาแค่เมาไดปักกาศใส่ไปเบ็ดหนึ่งใ น, นี่บรรลุธรรมเลยนะเราปฏิบัติมาเยอะมากแต่เราก็สร้างกรรมมาเยอะเหมือนกันนะก็อย่าประมาทเมื่อเราเกิดมาได้พบคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอย่าผัดวันประกันพุ่ง มันมีบางองค์กรสอนแบบนี้นี่อยู่ช่องเมฆเหล่านี้แหละหลายปีก่อนพ่อครูได้ยินเขาบอกชาตินี้อย่าไปปฏิบัติมันยากกิเลสมันเยอะทำบุญเยอะๆทาบุญเยอะๆจะได้เกิดไปยุคพระศีอานกิเลสมันเข้าใจพูดเนะยุคพระศีอานเกิดแน่ๆอาจจะเกิดไปเป็นลิงก็ได้ เป็นงูเป็นเสือก็ได้เนาะหรือเป็นไส้เดือนก็นได้เนาะหรือกิ้งกือก็ได้ตอนนี้เจอเพชรเม็ดงามเนี่ยไม่รีบไขวยคว้าผัดวันประกันพุ่งเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เราปฏิบตัติการปฏิบัติธรรมคือการเหวี่ยงกิเลทิ้งแต่เรากลัวมากเรากลัวจะมั น, ม, นมันจะไม่สนุกมันจะไม่อร่อ ย, อยงไงเห็นไหมบอกอย่าปฏิบตัติยากทําบุญเยอะๆทาบุญเยอะๆ จะได้เกิดไปยุคภาษีอ่านแต่ได้ขาดเดียวกันก็ไหว้พุทธเจ้านะแต่ไม่ยอมทำตามที่พระองค์สอนอันนี้กิเลสมันร้ายมากนะนะยาผัดวันประกันพุ่งนะมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าพลาดโอกาสนี้เนี่ยบางทีหลายชาติจะได้มาเจอทีหนึ่งนะสังเกต บางคนไม่เคยเข้า <Underground> วัดเลยบางเคยไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยว่าแต่เดๆเขาก็เรียนลูกเรียนเรียนเรีเรียนเรีเก่งๆยงๆังไม่รวยเลยยังไปเข้าวัดทําไมเห็นไหมเราไม่รู้ไม่ไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องศาสนาเลยเห็นไหมเออคุยกับเพื่อนบางคนเฮ้ยมึงอย่ามาพูดกูเบื่อเบื่อพูดเรื่องศาสนาเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมบุญเขามีระดับหนึ่งเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กรรมมันบังไว้นะกิเลสตัณหาอุปทานมันบังไว้ นะพวกเราก็ย้อนไปอดีตพวกครูอดีตก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าเป้าหมายเราชัดเจนก็คือรวยทำยังไงก็ได้ให้กูรวยก่อนค่อยมาว่ากันเออเราคิดนอกเกาะไม่ได้นะทีนี้วิบากกรรมเราไงเห็นไหมวิบากกรรมระวังนะมันทำให้เราผิดศีลผิดธรรมแม้ทั้งครูบาอาจารย์ บวชยี่ปีเห็นไหมอาจารย์ที่เบตเนี่ย เ, เข้ากรรมาฐานเข้าฌานอีกสามปีนะออกมายังเอาไม่อยู่เลยเห็นหมแต่งงานก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ซื่อสัต์กับคู่ชีวิตสิก็ยังไปมีกิ๊กมีก๊ อ, อกอีกเห็นไหมล่ะส่วนบุญก็บุญส่วนกรรมก็กรรมนะนะ เราหยุดกรรมไม่ได้มันไล่บี้เราตลอดแต่เรามีหน้าที่หนีมันเพ่นมันนะแต่คนมนในส่วนนี่เหมือนกันนะส่วนที่มุ่งมั่นกับมุ่งมั่นส่วนที่แวบแวบอยู่ก็มีนะนะก็ดูที่ว่าเวลานั้นน่ะไอ้ฝ่ายกุศลกับอกุศลฝ่ายไหนมันมากกว่านะมันกําลังไล่บี้กันอยู่นะเหมือนองคคุริมานนั่นแหละ ถูกครูบาจารย์หลอกว่าไปฆ่ามาให้ครบหนึ่งพันคนแล้วจะสอนวิชาพิเศษเนื่องจากเป็นกรรมร่วมก็ศรัทธาครูบาจารย์พูดอะไรฟังหมดนะไปฆ่าอย่างซื่อสัตย์นะฆ่าไปฆ่ามาเข้าใจว่าการฆ่าคนเนี่ยทาให้เขาหมดเวรหมดกรรมเร็วๆมานับนับนับนบ น, บนบดูนิ้วเนี่ยได้999สจะไปโปรดแม่ตัวเองละนะ จะให้แม่หมดเวรหมดกรรมเร็วๆเนี่ยมุ่งหน้าไปจะไปฆ่าแม่พราะพรุทธเจ้าเห็นวาราจิตว่าองค์ุริมานเนี่ยสร้างบุญมากุศลมาเยอะมากแต่นี่เป็นกรรมร่วมระหว่างครูบ า, าจารย์กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะก็ไปขวางไว้ไงนะองค์คุริมาบอกหยุดหยุดหยุดพระองค์บอกเราหยุดแล้วหยุดยังไงท่านยังเดินอยู่พระองค์บอกเราหยุดทําความชั่วแล้วท่านยังทําอยู่ คำนี้โอกริมาณเนี่ยบุญเก่าผลขึ้นมาเลยบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมวางดาบพบระพุทธเจ้าก็บวชให้มหาโจรแต่ยุคนี้ไปบวชเขาบอกประวัติดีไหมปวัติประวัติไม่ดีไม่ให้บวชไม่รู้ใครตั้งกติกานี้ไม่รู้เพราะครูเข้าใจว่าพุทธศาสนาต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนนะทุกคนที่เขาเขาต้องการกลับตัว เรามีหน้าที่ทำให้คนชั่วให้มันกลับกลายเป็นคนดีนะทุกวันนี้บอกไม่ได้นะคือพระพุทธเจ้าบวชให้ม ah หาโจรเห็นองคุริมานต้องเพ่นหนีกรรมนะนะถ้าหนีไม่ทันน่ะไอ9้คนเนี่ยหนึ่งชีวิตหนึ่งชาติบวกกับของเก่าด้วยไม่รู้อีกสี่ล้านชาติต้องไปใช้หนี้กรรมนะ บังเอินว่าบุญใหม่เนี่ยที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยบวกกับบุญเก่าเนี่ยข้ามพ้นได้แต่ต้องรับกรรมอยู่ในขณะที่เรายังไม่ละสังขารเนี่ยออกไปบินทบาทก็ถูกคว้างหัวล่างข้างแตกนะแต่กระทบไม่กระเทือนนะจิตองคุลิมาลไม่ทุกข์อีกแล้วเพราะเราหยุดกรรมคนอื่นไม่ได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังโดนเทวทัตเล่นงานเห็นไหม ผูเจ้าเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ยังดิง่งไม่กรรมไม่พ้นแต่มันกระทบไม่กระเทือนจิตพระองค์ไม่ไม่ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองนะเอาเป็นว่าไอ้กรรมก็ส่วนกรรมอย่าไปหนีมันยอมรับมันแต่เรามีหน้าที่สร้างกุศลสร้างฝ่ายกุศลเนี่ยหนีมันทุกคนทําได้แต่อย่าไปเผลอสร้างกรรมใหม่นะเสียชาติเกิดนะ แล้วก็ธรรมชาติถ้าเป็นยมบาลเนี่ยเขาโกรธมากอุตสาห์ให้เกิดมาเดินทางต่อไม่เดินทางยังไปสร้างกรรมใหม่นะโดยเฉพาะเราอยู่ร่วมกันเนี่ยหลายชีวิตสองคนขึ้นไปเนี่ยนะอย่าใช้ทิฏฐิมานะของตัวเองเป็นการตัดสินนะออขนาดบางทีเรากินข้าวมันอร่อยจนขาดสติฟันตัวเองก็กัดลิ้นตัวเองนะในคนสองคนขึ้นไปเนี่ย คนลยนิสัยมาอยู่ด้วยกันมย่อมมีปัญหานะต้องยึดหลักพรมวิหารกันมากๆอยู่ด้วยกันนะมีเมตตาซึ่งกันและกันผิดก็ให้อภัยกันนะคนที่เขากำลังหลงอะไรอยู่เนี่ยเราก็เตือนสติกันแต่อย่าไปถึงขนาดว่าจ้องทำร้ายกันนะ ศีลวินัยมีไว้กำกับตัวเองไม่มีไว้กำหนดโทษ ค, นะคนอื่นนะแล้วกำหนดโทษคนอื่นนี่แย่งงานยมพบาลทำนะเราไม่ใช่ยมพบาลอย่าแย่งงานยมพบาลธรรมยมพยาบาลโกรธมากถ้าตกลงลกลงไปเนี่ยในฐานะแย่งงานยมพบาลทำเนี่ยบวกเข้าไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินะนะไม่ใช่เรื่องเรา แต่หน้าที่ก็ต้องทาไปอย่างซื่อสัตย์นะถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็แก้ตัวใหม่ผิดเป็นครูแล้วผิดมาแล้วไม่ต้องห่วงเราผิดมาหลายชาติแล้วถึงได้มาเกิดอย่างไเมื่อเกิดแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะอดีตเป็นบทเรียนก็ ต, ตั้งตั้งต้นชีวิตใหม่นะแล้วก็มุ่งมั่นสร้างกุศลต่อไปเรื่องนี้ไม่ง่าย เพราะเราเรียนยุคบัณทุกทวันนี้เราไปเหอวิทยาศาสตร์มันต้องจับต้องได้ช่างตวงวัดได้มาพูดถึงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมมองไม่เห็นฉันไม่เชื่อเนี่ยนะเราจึงไม่ยอมทําความดีไงเพราะเราไม่เชื่อบุญบาปไม่มีจริงวันนี้เราแย่งมันมาเราได้นั่นแหละคือเราได้แล้วเห็นไหมเราไม่เชื่อผลของมันว่ามันจะเกิดผลอะไรทุกวันนี้เหมือนเราเชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริง เราก็ทำงานหาเงินไว้กินพรุ่งนี้เราเชื่อว่าปีหน้ามีจริงเราก็พยายามสร้างฐานะเอาไว้สิบปีกินเราไม่เชื่ออนาคตชาติเราจึงไม่ยอมสร้างอรรยสัพเอาไว้กินอนาคตชาติอันนี้อันตรายมากนะพิสูจน์ยังไงว่ามันมีจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เรากำลังทำอยู่แต่อย่าใจร้อนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่สิบชาติไม่ใช่ร้อยชาติไม่ใช่พันชาติมันเป็นเรื่องแสนกลับเนาะแต่เราก็ทำมาเยอะแล้วไงเยอะมากเยอะมากเยอะมากจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เยอะมากเยอะมากอีกจึงได้มาเจอคำสอนอย่างคำสอนสุดยอดของพุทธเจ้าเยอะมากเยอะมากจึงได้เจอวิธีปฏิบัติสายตรงเยอะอยู่แล้วอาจจะขาดเม็ดผักกาศแค่เม็ดเดียวนะ <c oughs> ไม่งั้นไปคิดแล้วไม่กล้าทำแล้วตั้ง16บหกิโลเมตรนะและรอย้อย ร้อยปีให้มาใส่แค่เม็ดเดียวร้อยปีก็เทียบเข้ากับว่าเออเท่ากับชาตินึงซะนะมันแล้วมันกีเม็ดแล้วมันจะเติมนะนะเพราะครูยืนยันนะพวกเราเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วนะนะบางทีเติมแค่เม็ดหนึ่งเนี่ยเม็ดหนึ่งก็คือชาตินี้ชาติเดียวไงเม็ดเดียวก็เต็มเลยล่ะเนะ โอเคนะก็ให้พักผ่อนบ้างนะจะได้มีเวลาเข้าห้องน้ำห้องท่าก็เตรียมตัวบ่ายสองโมงปฏิบัตินะจิตในจิต